ติพิกเวสังคีเตนะปัญจุ ป, ปานนักขันธาดุขาเอแดงวุตติพิกเวดุขังอริยสัจจันสรุปลงมาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองทุกอุปาทานขักขันอุปาทานนักขันคือรูป อุปาทานนักขันคือเวทนาอุปาทานนักขันคือสัญญาอุปาทานนักขันคือสังขารวิญญาณอุปาดานาขันโทอุปาทานนักขันคือวิญญาณอิเมวุจจันติพิโคเวสรงกิตเตนปันทุปาดานาขันธาดุข้าดูก่อนพิสุทธิ่องหลาย โดยยอดเหล่านี้ที่กล่าวว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าอริยสัจคือทุกขสัจทุกขรังอริยสัจจังทุกขสัจเหล่านี้คือความจริงนี่คือความจริงที่มีอยู่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อมาตรัส มาบอกมาสอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นอยู่ความทุกข์ทั้งหลายก็เกาะหัวใจของคนของสัตว์อยู่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าวความทุกข์เหล่านี้ก็เกาะ อ, อยู่แม้คนนับถือาศาสนาอื่นไม่เคยได้ยินได้บอกคําสอนของพระพุทธเจ้าวความทุกข์เหล่านี้ก็เกาะ อ, อยู่ <overlooked> เพราะสิ่งเหล่านี้คือความจริงแต่ใครมาร่วมมาเห็นสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นทุกขังอริยสัจจังรู้ว่าสัจจะอันประเสริฐอันนี้เมื่อใครเข้ามารู้แล้วจะทําให้คนนั้นรู้จักกองทุกรู้จักผลแต่การที่จะพิจารณานั้นเราจะต้องพิจารณาสาวไปหาเหตุทุกขสมุติโ ย, โยอริยสัจจังที่เราจะสวดในโอกาสต่อไปทุกขะนิโรธโออริยสัจจังที่เราจะสวดในครั้งต่อไป ทุกขนิโรธทากามนีปฏิปทาอริยสัจยังคือข้อปฏิบัติที่เราจะพึงสวดในโอกาสต่อไปนินพูดถึงถึงทุกทุกในหลักอริยสัจสี่ทั้งหมด น, น, หม น, าานะนี้เป็นปลายเหตุโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสิ่งเหล่านี้เป็นปลายเหตุ ดูก่อนิสูจทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหาสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสาวุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าเอหนาะขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีโสกะภริเทวะทุกขโทมนัสสาวุปายาตเป็นธรรมดาเถิดอันหนึง่งขอโสกะภริเทวะทุกขโทมนัสสาวุปายาตอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนาะดังนี้ข้อนั้น สัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม่ข้อนี้ก็ชื่อว่ายาปิดช่างนราปฏิตามปิดทุข้างสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงนั้นก็เป็นทุกข์ดูความพิสูจ์ทั้งหลายโดยเย่าปาทานอคติทั้งห้าเป็นทุกข์อย่างไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยย่อเหล่านี้ที่กล่าวกล่าวว่าอุปาทานนักขัทั้งห้าเป็นทุกข์แท้ที่จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่ใช่เขาไม่เขาไม่ได้ทุกข์แต่ผู้ที่เข้ามายึดถือด้วยตัณหานี่เองเป็นตัวทุกข์เนี่ยรูปเขาไม่ได้ทุกข์เวทนาเขาก็ไม่ได้ทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่ได้ทุกข์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 จึดโดยหลักธรรมชาติของมันพูดถึงรูปปับ๊บรูปเราพูดถึงเวทนาโอ้ยเราเจ็บเราปวดเวทนาความขยันความพีจเกียรตกเเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาพูดถึงเวสัสญญาปับ๊บจำได้หมายรู้สิงส่งนู้นสิ่งนี้คาดหมายเดาสิงส่งนู้นสิ่งนี้ ว่าเราเป็นคนคาดเราเป็นคนเดาเป็นคนหมายเราเป็นคนจำเราเป็นคนไม่จำเราเป็นคนหลงเป็นคนลืมนี่คือยึดเอาสัญญายึดเอาสัญญาสังขารก็เหมือนกันปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารหรือสังขารกายสังขารวิจีสังขารมโนสังขารหรือสังขารรูปสังขารนามหรือสังขารที่อยู่ข้างในกายเราข้างในจิตเราสังขารที่อยู่นอก กายเราสังขารที่อยู่นอกจิตเราสังขารที่มีอยู่เต็มสากาละโลกนี่คือสังขารสังขารคือสิ่งหลายหลาสิ่งมาประกอบกันมารวมกันทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่สังขารไม่มีมีแต่สังขารทั้งนั้นที่มียกอยู่รอบข้างตัวเราเราดูสิ่งประดิษฐ์ประดอยที่อยู่ต่อหน้าเรานับตั้งแต่กุฏิสาราวิหารเครื่องประดับประดา ตกแต่งที่อยู่อาสนะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นกองสังขารทําไมจึงชื่อว่าเป็นกองสังขารเพราะเป็นสิ่งที่ประกอบกันตั้งแต่หนึ่งสิ่งสองสิ่งเป็นต้นไปเรงเรียกว่ากองสังขารเราคิดอย่างนี้เราเค่อยใจตามหลักสังขารที่แท้จริงเพราะสังขารที่เข า, าเกี่ยวข้องผูกพันกันแล้วไม่เคยมีสังขารใดที่จะอยู่เท่าเดิม ใครจะยึดให้เขาอยู่เท่าเดิมเขาก็ไม่เขาก็ไม่อยู่เขาจะให้เขาจะให้เขาเป็นสุขอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นและเราจะให้เขาเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นหากเขาสุขก็สุขเขาทุกข์ก็ทุกข์เขาเจ็บก็เจ็บเขาป่วยก็ปวดเขาตายก็ตายเขาแตกสลายก็คือแตกสลายเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่คือความทุกข์คือกองทุกข์ ด้วยเหตุที่เรามีความทุกเราเหตุที่มีความทุกมีของทุกนี่เองจึงเป็นเหตุเดือดร้อนเริ่มพึงรําพันเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ย่อมยา่าทําให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยดิ้นรนดิ้นรนเพราะความทุกข์บีบคั้นหาอยู่หากินหาอยู่ก็คือหามาเพื่อให้ทําได้ที่อยู่หากินก็คือให้หามาเพื่อได้ใส่ปากใส่ท้องหามานุง่งหามาห่ม หามาเพื่อสนุกสนานเพื่อเพลิดเพลินเพื่อบันเทิงเพื่อบำรุงบำเรนตัวเองนี่เพื่ออะไรเพื่อบำบัดความทุกข์ในหัวใจเพื่อให้สมอยากเพื่อให้สมใจแท้ที่จริงมันมีตัวเจ้าตันหาอยู่ในนั้นนี่คือสมุทัยทุกทุกขัตดิ์ทุกขศักดิ์นี้เป็นตัวผลแต่ถ้าจะดูไปที่ต้นเหตุดูไปที่ตัวสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข อ, อุปาทานเกิดขึ้นจากเหตุคืออะไรเกิดขึ้นจากเหตุคือตัณหาไปยึดว่ารูปเป็นเราหลงยึดนะแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ารูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะสักแต่ว่าเป็นขันธ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นคนที่ เ, เริ่มรู้เรื่องของกระแสรธรรมะตามหลักธรรมชาติ ท่านรู้ว่าโอ้กระแสของรูปเป็นไปอย่างนี้กระแสของเวทนาเป็นไปอย่างนี้สังขารวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณมีกระแสเป็นไปอยู่อย่างนี้หากพลิกเปลี่ยนไปตามกิริยาการตามการตามเวลาสังขารก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปวิญญาณก็เปลี่นนะยนรับรู้รับทราบไปออกมาทางรับรู้ต่างตาบ้างทางหูบ้างทางจ ม, มงูกบ้างทางลิ้นทางกาย เมื่อแต่นอมนึกทางใจนอนละเมอเพลเพลหลับฝันไปก็คือวิญญาณพาเรานึกละเมอเพลเพลไปตามลักษณะของวิญญาณของสังขารแต่เวลาก็ทํางานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาก็ประกอบกันทั้งหมดทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเพราะสุปลงแล้วก็คือรูปกับนามท่านนั้นเองรูปก็คือสิ่งที่เป็นรูปร่างกายของเราทั้งหมดที่เราเห็นนี่เป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกายกายสุขกายทุกข์นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจิตจิตสุขจิตทุกข์จิตชอบจิตชังจิตยินดีจิตยินร้ายนี่คือเรื่องของเวทนาตัวสัญญาก็คือตัวคุณสมบัติของจิตที่มีความจำได้ตัวสังขานั่คือตัวคุณสมบัติของจิตที่มีความปรุงแต่งนึกคิดปรุงดี ปัญญาพิสังขารปรุงไม่ดีเป็นปุญญาพิสังขารไม่ปรุงเข้าไปสงบเงียบเหมือนนะักปฏิบัติได้อัดได้ทําได้ชานได้ชาญสมาบัตินี้ท่านเขาเรียกอนเนนชาพิสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือขันทั้งห้า ไปยึดยึดด้วยตัณหายึดด้วยอุปาทานยึดด้วยตัณหายึดด้วยอุปาทานท่านจึ ง, จงให้หัดไปแยกแยะแล้วก็ดูว่ารูปคืออะไรเป็นอะไรกันแน่เวทนาคืออะไรสัญญาสังขารเมียนคืออะไรเป็นอะไรกันแน่โดยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยสอบถามไม่เคยสอบทานทดสอบย้อนมาดูว่าคืออะไรเป็นอะไร ปัญหาราคาที่มีอยู่ข้างในมันก็พาเราลุ่มหลงยึดแล้วเกินถือแล้วเกินเกาะแล้วเกินอืมเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงกระแสธรรมเป็นพระโสดาบันจึงละส ก, กายทิฏฐิได้อละส ก, กายทิฏฐิได้เราเป็นกายกายเป็นเราเนี่ยละสกกายทิฏฐิได้เรามีในกายกายมีในเราเราเอาไปอยู่ในรูปนั้นน่ะ เราเอาเราคำว่าเราไปอยู่ในกายเอาคำว่าเราไปเป็นกายเอาคำว่าเรามีอยู่ในกายหากความรู้สึกทั้งนี้ประทับตราลงไปที่จิตของเราเราพยายามย้อนมาดูสังเกตสังกาแล้วเราจะเห็นไอตัวพายุพาถือเหล่านี้ตราบใดที่เรามีสติกำหนดจดจ่อรออยู่ เราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันเลือนล้างจางไปเราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มันเลือนล้างจางไปเพราะตัวสติตัวสัมผชัญญะเน่ยเป็นตัวชักเป็นตัวล้างตัวสติตัวปัญญานั้นเป็นตัวชักตัวล้างความหลงคือตัวหลงหลงยึดยึดว่าเราเป็นรูปยึดว่ารูปเป็นเราแท้ที่จริงรูปก็คือรูปประกอบไปด้วยดินประกอบไปด้วยน้ําประกอบไปด้วยลมประกอบไปด้วยไฟ ธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ไอพูดที่ไปยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเกิดขึ้นจากความรู้สึกของใจใจมันไปยึดรูปทั้งทั้งใจมันมาอาศัยรูปเราดูได้ว่ารูปนี่พ่อแม่เป็นคนปั้นขึ้นวิญญาณของเราเนี่ยเข้าไปจับจองรูปนั้นนะเราไม่ได้ปั้นขึ้นนะพ่อแม่เป็นคนปั้นขึ้นแต่เราเข้าไปจับจองเฉยเพราะว่า พบชาติที่เป็นขันทั้งห้านี้มันจะต้องมีรูปและจะต้องมีนามมีรูปก็คือนี้แหละที่เราเห็นกันนี่แหละรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนี่แหละแล้วก็มีนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ส, สิ่งเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังถ้าพิจารณาถึงความเคยชินของหูแล้วน่าจะเบือ่อน่าจะหน่ายแต่อุกคนคนนั้นไม่เคยย้อนมาดูขอท็พย์ิงว่าคืออะไรเป็นอะไร ถ้าเราย้อนมาดูแล้วเราจะได้ปัญญาเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าไอ้ที่เราพาเรายึดพาเราถือพาเราทุกอันนี้เราถูกหลอกทั้งนั้นเราถูกหลอกถูกสัญญาถูกเวทนาหลอกเรากว่ารูปเรารูปของเรารูปเราสุขรูปเราทุกเนี่ยยึดยึดว่าเราสุขยึดว่าเราทุกและยึดว่ารูปเรายึดว่าสวยยึดว่างามยึดว่าหล่อยึดว่าหรู Oh, ยึดว่ามียศมีเกียรติมีสัมมีอะไรสารพัดยึดนี่คือตัวยึดเพราะฉะนั้นมนุษย์เราที่มันทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะตัวยึดตัวตัวเดียวในตัวนี้แหละอย่างอื่นเป็นปลายเหตุเท่านั้นแหะไปตีไปฆ่าไปแกงไปนินทาว่าร้ายอะไรต่ออะไ ร, ะรกันสารพัดความอยากอยากยึดกายหายกายอยู่ยึดกายหาให้กายกิน หาได้ในทางที่ดีก็เอาหาได้ในทางที่ไม่ดีก็เอารักก็เอาขโมยก็เออนี่มีความหมายมีความสำคัญพวกเราในะที่สุดพวกเรายุ่งอยู่แต่กับปลายเหตุเหล่านี้เราไม่ได้เคยย้อนเข้าไปดูดต้นเหตุเลยมาวุ่นวายอยู่แต่กับปลายเหตุไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นทะเลาะ บ, บอกเบาแหวงถึงข่าถึงแก่กัน เวทนาก็เหมือนกันความรู้สึกที่นามคือความรู้สึกที่จิตอแท้ที่จริงจิตของเรามันไม่บริสุทธิ์เพราะมีตัณหามันสวมรอยสวมรอยมาทางเวทนาสวมรอยมาทางสัญญาสังขารวิญญาณมันสวมรอยมาแล้วมันผายยึดตัณหาคือความอยากในใจอย่าลืมดูเข้าไปที่ใจของเรา ย้อนดูเข้าไปที่ใจของเราดูดูความอยากเวลามันเกิดขึ้นพยายามดูให้ออกโอ้นี่นี่ฤทธเดดของความอยากนี่คือผลของความอยากที่มันแสดงมันดิดิด่งอยู่ในหัวใจของเราเราดูไปแล้วเราจะเห็นในขณะที่มันเกิดขึ้น น, นหากเรามีสติมีสัมปชัญญะพิจารณาไข่ครวญไม่ไม่มีมีความรู้สึกเคลิ้มไปกับมันหลงเคลิ้มไปกับมันที่เรียกว่าโมหะความหลงมันมาครอบสติปัญญาของเรา หลงเคลิมคำว่าหลงหลงคือไม่รู้สึกตัวเหมือนกับมีอะไรสะกดเหมือนกับมีมวลสะกดเหมือนกับมีอะไรสะกดทําให้เราหลงเคลิมไปไม่รูยจะพูดยังไงก็คือหลองเคลิมไปนั่นแหละไม่รู้อะไรเนี่ยก็เหมือนอย่างเราหลงทิศนั่นแหละไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเถียงกันอยู่นั่นแหละเถียงกันตอนเช้าเช้าเนี่ยตะวันยังไม่ขึ้น เทียงไปเทียงมาเถียงมาเถียงไปเห็นตะวันโผลออีกครั้งหนึ่งโอ้นี่ด้านตะวันออกอยู่ทางนี้เสียกโอ้พระพอตะวันพลอขึ้นตอนนั้นแหละนี่ไม่ต้องมีใครบอกนี่ตะวันออกอยู่นี้เราดูเถอะความหลงอาการที่เราหลงยึดตัวเองก็เหมือนกันแหละโอ้ใช่เราไม่ใช่เราใช่เราไม่ใช่เราเยอะจวนนั่นแหละสําคัญมันหมายอยู่นั่นแหละ สะโอดสะอ์อะไรอยู่นั่นแหละธนุธนออยู่นั่นแหละรักตัวเองรักของตัวเองหละก็รักคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองรักผัวรักเมียรักหญิงรักชายรักของนอกกายรักของในกายมันมีความชอบหลงหลงที่เขเรียก ว, ว่าหลงไหลหลงไหล หลงไหลหลับไหลหลงไหลจนหลับไหลเพลินไปเลยไม่มีอะไรเป็นเป็นตัวมาคอยปลุกมาคอยกระตุ้นให้เตือนให้รู้สึกสานึกรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นหัวใจของงานทั้งนี้ก็คือการทั้งใหญ่ภาวนาเพราะการทั้งให่ภาวนานะั้นมันเป็นการพัฒนามันเป็นการพัฒนาทั้งชีวิตทั้งจิตใจพราชีวิต ชีวิตเราจะพัฒนาไปได้ดีเราจะต้องพัฒนาไปจากใจที่เราพัฒนามาดีแล้วรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ที่สูงที่ต่ำรู้ที่ผิดที่ชอบรู้ที่ถูกที่ผิดแต่ถ้าหากรู้แล้วฝืนทกัตถุนั้นแสดงว่ารู้ไม่จริงคนที่รู้แล้วฝื น, นมีโทษมากกว่าคนที่ไม่รู้เขาเรียกว่ามีเจจจำลงมีเจตาาันนอย่าเอานะอันนี้อย่าเอานะ ฟื้นพุทธภือเอาขอได้ขอได้อยากได้ขอได้ไม่ใช่ของเราก็ช่างขอเอาขอได้ต้องระวังของส่วนบุคคลก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของสงแล้วเนี่ยท่านถือว่าโทษหนักกรรมหนักนะเรื่องของสงเนี่ยแม้แต่ภิกษุเดินทางเขาหูงต้มเพื่อจะถวายแกภิกษุที่เดินทางกัน หุงต้มเพื่อจะถวายพิสุทธิเดินทางกาตัวหนึ่งมันหิวนะมันมีกลิ่นที่เขาต้มข้าวต้มแกงต้มอใบระเหยไปมันวิ่งมาเกาะปากหม้อเท่านั้นเองแค่วิ่งมาเกาะปากหม้อแค่นั้นเองเพื่อที่จะเอาของในหม้อไปกินนั่นเองไหมตกนรกปกตกนรกหมกไหม้ตอนสุดท้ายมันก็เป็นเปรตที่จะเรียกว่ากากรเปรตกากระเปรต เนี่ย <Yeah. S 2> คือของสงฆ์ของสงฆนี่มีมีผลหนักมีโทษหนัก mm hmm. ของส่วนรวมมีโทษหนักแต่คนมักจะไม่ค่อยกลัวเพราะของส่วนรวมไม่รู้ไม่มีใครมาว่าแต่ถ้าพูดถึงโทษและโทษหนักมาก mm hmm. คนที่ไปทําบุญพาอาหารไปไปทําบุญยังไม่ถึงวัด ตั้งใจจะจะไปถวายสง์เอาหาบเอาสำเอาสรับไปวางเอาไว้อาจจะไปหนักไปเบาไปอะไรแป๊บเดียวกามาโฉกของในหาบนั่นนะไปกินกานังก็ตกนรกหมกไหมเป็นกาเป็นกากับเปรดเป็นเปรตอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเปรตก็คือถูกกรรมอย่างหนึ่งมันมัดจิตมัดใจ ให้อยู่ในภาวะแบบนั้นไม่รู้จะไปผุดไปโผลไปเกิดที่นู่นที่นี่ที่ดีกว่านั้นทุกอยู่อย่างนั้นอ่ะทุกหิวเหมือนกาที่ไปโฉบไอ้นั้นที่น้าร้อนเน่ะมันถูกอะไรไหมถูกสังเวียนหม้อไหมอะไรเลยไหมพันคอตายอ่อมีเรื่องกากระเปิดเนี่ที่เรพูดถึงเรื่องของสง เข็มเล่มเดียวท่านเรถือว่าเป็นโทษหนะักยิ่งโลหะทุกอย่างโลหะทุกอย่างช้อนคันเดียวเนี่ยก็ถือว่าโทษหนักถ้วยถ้วยเดียวจานจานเดียวเนี่ยขันขันเดียวเนี่ ย, นะ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยมีดเล่มเดียวเสียมเล่มเดียวเนี่ยเอาของสองไปเป็นของส่วนตัว เอาด้วยเจตนาที่มีทายาจิตด้วยคือคิดจะขโมยนี่โทษหนักมากท่านจึงให้เรามาระวังพวกเราทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับวัดกับวาเราอยู่ใกล้ของที่มีบุญที่มีคุณถ้าเราลืมคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จะเป็นให้เอะให้รานลืมตัวแล้วก็ใช้ทิ้งใช้ขว้างแล้วก็ใช้ยึดใช้ถือถือเอา มันไม่ได้โทษใครโทษเราทุบจางมันโทษจังมันไม่มีขยเห็นไม้มีใขยเห็นคอยคอยเขา้าคอเราได้คอยเราไ ด, าได้กลายเป็นว่าพระาศาสนานี้เราไม่ได้ตั้งใจจะเอาคำสอนแล้วเห็นสิ่งเห็นของเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าคําบอกคําสอนเห็นความอยากได้สําคัญมากกว่าความสุขเห็นกงจากเป็นดอกบัวนี่เราพึงระมั่ระวังให้ดี การเกี่ยวข้องกั บ, กบของสงูแลรักษาดีดีมีผลมีอนิสงส์ดูแลรักษาไม่ดีใช้ทิ้งใช้ขว้างอืมเป็นโทษทำไมจึงเป็นโทษเพราะว่ามันเป็นของไม่มีเจ้าของแต่คนทั้งหลายมองเห็นของไม่มีเจ้าของนี่น่าอา้าเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครว่ายึดเอาถือเอายึดเอาถือเอาเป็นการเข้าใจผิด ผิดเป็นความสําคัญผิดเพราะจิตความมุ่งหมายของผู้ที่ทำผู้ที่ให้เขาต้องการให้เป็นของส่วนรวมใช้เป็นสาธารณะเป็นของสงเป็นของส่วนรวมเพราะฉะั้นผู้ที่ถวายอะไรเป็นของสงถือว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากถวายอาหารเป็นของสง ถวายเสยนาสนะเป็นของสงฆ์ถวายกุฎีถวายเวชกุฎีส้วมเป็นของสงฆ์จึงมีผลมีอยนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ทำไมจึงมีผลเมียนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มันไม่เป็นการระบุเจาะจงชื่อคนนั้นคนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้อืเพราะคำอธามสง ม, มีทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูง ผู้มีธรรมชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงผู้อัจฉริยะบุคคลผู้มีคุณธรรมที่ดีที่เยี่ยมที่เลิศได้มาใช้มาสอยด้วยกันทั้งหมดมีทั้งคนต่ำๆมีทั้งคนสูงๆมาใช้มาสอยเหมือนอย่างคนดีวิหารที่เราทำคนเลวก็มาอยู่ได้ คนปานกลางก็มาอยู่ได้คนดีหน่อยขึ้นมาก็มาอยู่ได้คนดีเลิศคนมีคุณธรรมชั้นเลิศก็มาอยู่ได้นี่ไหมมันมีผลเมียนในสงได้ทั้งนั้นนอกจากคนเราอยู่แล้วยิงจกตุกแกนูก็รอกกระเตมันก็อาศัยได้งูขึ้นไปอาศัยได้เนี่ไหมงูเหลือมันก็ยังมาอาศัยเลย ชายคากุทิเรามันเป็นสาธารณะที่ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกๆชีวิตนี่อันนี้สองจึ ง, จงเกิดขึ้นมีขึ้นอย่างนี้อย่าลืมว่าบุญบาปไม่ใช่ให้ผลหนึ่งทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองให้ผลเป็นร้อยเท่าพันทวี <c oughs> ถ้าใครไม่ระวังคนนั้นแหละจะตกต่ำ เวลาตกต่าไปแล้วก็คร่ําครวญร้องให้นี่ท่านพูดถึงทุกท่านภาลนาถึงทุกทุกรวมยอดทุกขันทั้งห้าเห็นไหมนอกจากนั้นท่านก็มาพูดถึงชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความวิโยคความพัดพลาดเนี่ยเป็นทุกข์ความพัดพลาด เป็นทุกทั้งหมดนี้สรุปลงมาก็เหลือที่ขัขนทั้งห้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นกิริยาผิวเผินของมันเท่านั้นนโสมกปริเทวะทุกขโทมนัสสะโทมนัสสะคือขัดใจเหี่ยวแห้งทุกกระทมตรอ ม, ม, มใจเหี่ยวแห้งขนาดไหนผู้เป็นรู้เองดูความทุกข์เวล า, าเกิดที่ใจบางที่เกิดความทุกข์หมดหวังว่าจะมีใครมาช่วยจะมีสิ่งใดมาช่วย รู้สึกว่ามันทุกข์แล้วเกินโลกนี้เนี่ยบางคนจึงไม่น่าอยู่โดดตึกตายมัดคอตายเราคิดดูที่มันติดตันขนาดไหนความทุกข์เหล่านี้เนี่ยนี่แค่เราได้อัตภาพมาแล้วมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพารณนาให้เราได้ยินได้ฟังเราไม่ต้องพูดถึงแดนที่เขาเอาไปกักกันแล้วก็ทำโทษทรมานเช่นอย่างเอาไปีมหานรกรรขุมนะั้นรกขุมนี้ อยู่ในยมโลกที่เขาทรมานนั่นมีกระทะตรงแดงเอยมีต้นงิ้วเอ้ยนะมีการทรมานด้วยวิธีหลากหลายอยู่ในนั้นน่ะมีความช่วเหล่นี้ไม่ใช่ท่านเอามาพูดให้เรากลัวเฉยๆพพุทธเจ้าท่านย้อนอดีตมาเล่าให้ฟังทั้งนั้นน่ะ ย้อนอดีตมาไล่ไฟังอกรรมทําไมกรรมมันถึงตามมาสนองเพราะกิริยาที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นจากจิตดวงนี้กิริยาที่ไม่ดีนั่นแหละมันให้ผลมาเป็นเป็นผลตอบสนองถ้าเป็นกิริยาดีที่เกิดขึ้นจากจิตดวงนี้มันก็เป็นผลดีมาตอบสนองที่จิตดวงนี้ จิตดวงนี้ไปได้รูปธรรมจิตดวงนี้ไปได้นามธรรมเนื่องจากกรรมเหล่านั้นมันเกี่ยวข้องจิตดวงนี้อะไรเป็นผลิตผลเกี่ยวกับจิตดวงนี้กรรมก็ให้ผลถึงหมดถึงกายของคนคนนี้ถึงเวทนาทุกปางตายของคนคนนี้สัญญาวิปลาสคลาเคลื่อนสังขารวิกลวิการวิปริตผิดมนุษย์เนี่ยวิญญาณบ้าใบาวิกล ว, วิการ ถึงคราวมันทำให้เกิดทุกข์ทรมานเหลือจะปรณนาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้นี่คือกองทุกข์ในวัฏสงสารแล้วเรายิ่งรู้แล้วยังเรายิ่งฝ่าฝืนเขาเรียกว่ามีเจตมีเจตนาที่รุนแรงมีโทษหนักมีผลหนักพวกเราได้ยินได้ฟังพึงธรรมะปรวังสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ท่นบอกโกหกให้เรากลวัวใเฉยนะดูความทุกข์ดูกองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเราพอจะอยู่สุขสบายเราอาจจะไม่ได้ดูคนที่อยู่ทุกข์ยากลําบากเนี่ยอะไรทําให้เขาทุกข์ยากลําบากเดี๋ยวอันนั้นมาทุกเดี๋ยวอันนี้มาทุก ทุกเนีนทาทุกว่าร้ายทุกให้โทษทุกดาทุกทอทุกฆ่าทุกแกงสารพัดนี่วันนี้เราพูดถึงทุกก็เลยขยายความทุกนิดหน่อยอ๋าพอสมควรแกเวลาแล้ววันนี้ไปเตรียมไปฝึกไปซ้อมนะเดี๋ยวมาค่ะนี่เราพากันอยู่ทั้งคืนนะบทสวดไปทําเพิ่มไม่ใช่หายไปหมดลนะบทสวดนะ่ะ ทำไปจากอาทิตย์อนัตไปดูอ่าเตรียมไปฝึกไปซ้อมหัดอยู่ทั้งคืนหัดอดนอนนั่งภาวนาหมดคืนได้วันนั้นอ่ะห้ามออกไปคุยข้างนอกนั่งสู้อย่างนี้แหละมันทุกข์นตายอย่างนี้แหละ